ปล่อยให้ฟุ้งนั่นก็คือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องฝืนขม่มสกัดกั้นอะไรปล่อยให้มันฟุ้งไปตามสบายในช่วเวลาสักห้านาทีเราจะสังเกตว่ามีความฟุ้งมากหรือฟุ้งน้อยเมื่อเห็นความแตกต่างระหว่างฟุ้งมากกับฟุ้งน้อยบ้างแล้วก็สังเกตต่อว่าแต่ละแบบของการฟุ้งจิตมีอาการยึดหรือว่าไม่ยึด ความฟุ้งนั้นนั้นขอสรุปเป็นข้อๆอย่างละเอียดหนึ่งปิดตาและปล่อยให้ฟุ้งที่ควรปิดตาก็เพื่อเผชิญกับคลื่นความฟุ้งในหัวชัดๆเพราะปกติคนเราจะแยกไม่ออกว่ากำลังคิดเพราะตาเห็นอะไรคิดเพราะหูได้ยินอะไรขอให้เปิดเปลือกตาขอภัยค่ะขอให้ปิดเปลือกตาลง ทอดสายตาออกไปตรงๆสบายๆทำเหมือนกำลังพักผ่อนการทอดตาตรงไปไกลๆทำให้เราไม่คิดแบบหมกตัวอยู่ในหัวแต่จิตจะเปิดกว้างออกไปและเห็นความลื่นไหลของคลื่นสมองได้ชัดอย่าตั้งความกำหนดไว้เป็นอันขาดว่ากำลังทำสมาธิอย่าจงใจจับลมหายใจ อย่าคิดว่าเราทำความสงบให้บังเกิดขึ้นแต่ปล่อยให้ฟุ้งอย่างที่เป็นเองอยู่แล้วเหมือนจงสัตว์เลี้ยงมาตัวหนึง่งพอถึงสนามใหญ่ก็ปล่อยให้มันเป็นอิสระเห่าวิ่งไปทางไหนก็อยากจะวิ่งไปทางไหนก็ช่างจะวิ่งเร็วหรือเดินช้าจะไปซ้ายหรือย้ายมาทางขวาจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็สุดแท้แต่มันจะพอใจ ข้อสองสังเกตความหนักเบาเหมือนเป้าดูละลอกคลื่นทะเลโยนตัวขึ้นลงตามธรรมชาติโดยไม่เอาตัวเข้าไปช่วยให้ลูกคลื่นโยนแรงขึ้นหรือรวยตัวสงบลงเบื้องแรกจะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเพราะไม่อยากทนที่สุดโดยเฉพาะขณะกำลังฟุ้งหนักคลื่นสมองจะซัดแรงเหมือนมีแรงดิ้นรน กดดันให้อยากจะเปิดเปลือกตาออกเดี๋ยวนั้นขอให้ดูตามจริงว่านั่นเพียงละลอกหนึ่งของความฟุง้งอย่าเพิ่งเปิดเปลือกตาออกตามความอยากเพราะจะกำหนดรู้ต่อไปอีกเพียงเดียวเดียวก็จะพบว่าคลื่นสมองอ่อนแรงลงทันทีที่เห็นความอ่อนแรงลงโดยเราไม่ตั้งใจก็ยอมเห็นภาวะ ต่างระหว่างฟุ้งแรงกับฟุ้งเบาและเมื่อเห็นภาวะต่างๆก็ย่อมเกิดสัมปชัญญะรู้ตามจริงว่าระหว่างสองภาวะนั้นเป็นคนละชุดกันไม่ใช่ตัวตนอันเดียวกันข้อสสังเกตความยึดมั่นถือมั่นแวบแรกของการเห็นภาวะต่างระหว่างฟุ้งมากกับฟุ้งน้อยนั้นเป็นจังหวะที่จิต จะเลิกยึดมั่นในความฟุ้งชั่วคราวกล่าวคือแม้ฟุ้งอย่างหนาหรืออย่างบางก็จะเหลือแต่อาการสักแต่ว่ารู้หรือหยุดดูเฉยๆหรือกระทั่งหมดความรู้สึกว่าเป็นตัวตนแต่ครู่หนึ่งเมื่อเผลอธรรมชาติของจิตจะเคลื่อนไปยึดความฟุ้งอีกกล่าวคือมีอาการทุ่มตัวเข้าใส่ความคิดหรือติดใจอยากคิดต่อหรือกระทั่ง เพียงคาใจครึ่งๆ ก, กลางๆก็เรียกว่ายึดแล้วเมื่อครั้งที่แล้วได้พูดถึงให้สังเกตความยึดมั่นถือมั่นแวบบแรกของการเห็นภาวะระหว่างฟุง้งมากกับฟุ้งน้อยนั้นเป็นจังหวะที่จิตจะเลิกยึดมั่นในความฟุ้งชั่วคราวล่าวคือแม้ฟุ้งอย่างนาหรืออย่างบางก็จะเหลือแต่อาการสักแต่ว่ารู้ หรือหยุดอยู่เฉยๆหรือกระทั่งหมดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ครู่หนึ่งเมื่อเผลอธรรมชาติของจิตจะเคลื่อนไปยึดความฟุ้งอีกเราคือมีอาการทุ่มตัวเข้าใส่ความคิดหรือปิดใจอยากคิดต่อหรือกระทั่งเพียงคาใจครึ่งๆกลางๆก็เรียกว่ายึดแล้วหากยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่า จะสังเกตอาการยึดม่านได้อย่างไรก็ดูเทียบไปเรื่อยๆก่อนว่าเมื่อปล่อยให้ฟุ้งเต็มที่นั้นแต่ละขณะในหัวเราหนักหรือว่าเบาโดยสมมุติไว้ก่อนว่าถ้ายึดตรงไหนก็จะหนักเข้าตรงนั้นทำเพียงเท่านี้ภายในเวลาไม่กี่นาทีก็เหมือนจิตแยกออกจากไปด้วยความสงบสงบตัวลงอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะเห็นความฟุ้งสักแต่เป็นละลอกความเกิดดับเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบาบางทีจิตก็ยึดมากบางทีจิตก็ยึดน้อยข้อสำคัญสูงสุดคือต้องปล่อยให้ฟุ้งอย่างเป็นธรรมชาติและติดตามดูอย่างต่อเนื่องให้ได้หลายหลายนาทีไม่ใช่บังคับหรือว่าเมาตามกระแสะความคิดกับทั้งไม่ใช่ดูเพียงประเดี๋ยวประดาเพราะ การเห็นชั่วคราวนั้นจิตจะไม่มีทางตกเข้าสู่กระแสรูร้ได้เลยหากกำลังฟุ้งเพียงน้อยหรือเหมือนไม่มีละลอกความคิดใดให้รู้เลยพอปิดตาลงก็เหมือนไม่มีอะไรให้ดูไม่รู้จะดูอะไรอันนี้ก็บอกตัวเองว่าความรู้สึกไม่เห็นอะไรให้ดูก็นับว่าเป็นละลอกความฟุ้งอ่อนๆแล้ว รอดูต่อไปก็จะมีระลอกคลื่นสมองชัดมาให้ดูแน่นอนแต่ถ้าหากว่าคลื่นความคิดสงบราบคาบลงจริงๆก็ดีเหมือนกันเราจะได้จับอารมณ์กรรมฐานสำคัญเช่นลมหายใจนั่นเสียเลยตอนลืมตาให้เลือกจังหวะที่ความคิดกำลังอ่อนตัวสงบอย่าลืมตาขณะกาลังฟุ้งหนักเพราะจะรู้สึกถึงความแข็ง ค้างหรือกระทั่งเครียดหนักคาหัวอีกนานแต่ถ้าเลื่อนตาขณะฟุ้งน้อยหรือสงบสุขจะทำให้รู้สึกเบาปล่อยวางและโล่งอกโล่งใจเป็นอย่างยิ่งการฝึกปล่อยให้ฟุ้งอย่างอิสระแต่สังเกตอยู่เบื้องหลังแบบจิตผู้รู้นี้จะมีผลให้ความฟุ้งในเช็ดประจำวันถูกรู้ง่ายขึ้น และไม่หลงตระดไปกับความฟุ้งหนักเบาทั้งหลายฝึกไปเรื่อยก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เ, เช่นคลื่นสมองจะมาก่อตัวเหนือความคิดเห็นง่ายๆเมื่อเจราจาธุรกิจการงานเสร็จบางทีไม่ได้ตั้งใจคิดต่อแต่ไม่สามารถห้ามกระแสคลื่นลมความคิดที่ยังโถมแรงเมื่อในหัวเกิดพายุคลื่นสมองแรง แล้วเราพุ่งตามไปด้วยความไม่รู้โดยนิสัยยึดมั่นถือมั่นตามธรรมชาติกิเลสก็อาจจะเกิดความขัดแยง้งเช่นอยากจะสลัดความคิดให้หลุดตรงอาการอยากนั่นเองก็กลายเป็นพลังบวกให้คลื่นความคิดกระนำแรงขึ้นอีกเหมือนไฟยิ่งถูกกลืนให้โหมกระเพือขึ้นทางที่ดีคือปล่อยให้ไฟมอดเอง ปล่อยให้ฟุ้งแล้วเฝ้าสังเกตเอาเฉยเฉยว่าแต่ละขณะกื้นแรงหนักเบาต่างกันอย่างไรเลิกทำตัวเป็นผู้เสริมเชือ้อไม่เห็นภาวะต่างเสียได้ก็จะคลายความยึดในธรรมชาติเรียกว่าประกอบเหตุถูกย่อมได้ผลถูกเมื่อชำนาญในการปล่อยให้ฟุ้งแบบรู้เช่นนี้ก็อาจจะนำไปประยุกต์กับภาวะอื่นเช่น ทุกขเวทนาอันเกิดจากการปวดหัวปล่อยให้ปวดไปแต่รู้ว่าจังหวะไหนปวดมากขึ้นหรือว่าน้อยลงเมื่อเห็นชัดว่าความปวดไม่สม่ำเสมอมีขึ้นมีลงตามธรรมชาติก็เฝ้าสังเกตต่อว่าแต่ละจังหวะความปวดนั้นมียึดมากหรือน้อยถ้ายึดมาก ก็จะมีความรู้สึกทรมานและก็อยากหายแต่ถ้ายึดน้อยก็จะมีการเหมือนว่าต่างคนต่างอยู่กับความปวดดูเฉยเฉยโดยไม่ต้องพยายามแก้ไขให้หยึดน้อยๆยทำตัวเหมือนคนที่นั่งดูไฟลุกโพรงหรือว่าปรีลงโดยไม่ทำอะไรเลยชั่วเวลาสิบนาทีหรือกว่านั้นเล็กน้อย ก็จะเห็นว่าอาการปวดหายทุเราอย่างง่ายได้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มหัดทาสมาธิการใช้อุบายนี้เป็นตัวนำทุกครั้งอาจให้ผลดีที่แตกต่างอย่างผิดหูผิดตาเช่นก่อนทําอนาปานสติก็ลองปล่อยให้ฟุ้งสักห้านาทีโดยเฝ้าดูหนักเบาไปจนกว่าจะรู้สึกว่าคลายแรงดึงดูดระหว่างจิต ความฟุ้งคิดและค่อยเริ่มกำหนดตามปกติเรียกว่าทำนิวรตัวสำคัญให้หมดเสียก่อนแล้วจึงเอาจิตดีๆมาพัฒนาต่อและได้ความชำนาญทำนองนี้เองจะเป็นพื้นฐานอย่างดีเมื่อต่อยอดดูกายใจโดยความเป็นขันห้าและอายตนะหกในบทต่อๆไปด้วยทำความรู้ในขอบเขตของกะโหล อุบายข้อนี้ต่างจากข้อก่อนเกือบเป็นตรงข้ามแต่เมื่อเหนียวนำให้เกิดความสงบและความฟุ้งซ่านเป็นคลื่นลมไร้สาระไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เช่นกันให้ทอดนอนหงายอย่างสบายเนื้อสบายตัวทุกส่วนปิดตาลงทำความรู้สึกเหมือนกับหุ่นยนต์ที่ถูกสั่งพักปิดสวิตชั่วกราว ไม่มีส่วนใดต้องแบกภาวะขยับขยื้อนอีกจากนั้นหายใจสบายๆแต่ไม่ต้องจับสติรู้ที่ลมหายใจเพียงแต่ให้รู้สึกเท่านั้นว่ากำลังหายใจสบายๆทอดตารมผ่านเปลือกตาที่ปิดเหมือนยังลืมตามองเพดานห้องรับรู้ตามจริงถึงความปรากฏของกระโหลกศีรษะ ที่วางนิ่งบนหมอนหนุนปล่อยให้ความคิดพล่านไปอย่างเป็นอิสระไม่ต้องห้ามไม่ต้องรั้งขอเพียงรู้ที่กะโหลกศีรษะและเห็นเหมือนกระแสความคิดเป็นเพียงหมอกควันคลุ้งที่หยิบจับไม่ได้สังเกตว่าขณะรู้สันฐานกะโหลกอยู่นั้นจิตจะไม่ยึดจับความคิดที่ไหลามาตามกระแสความคิด แม้ว่าเราจะปล่อยความฟุ้งล่้นเพียงใดในที่สุดจะเห็นธรรมดาของกระแสะความคิดที่ไม่ถูกปรุงเพิ่มคือจะมีความอ่อนกำลังลงถ้าทำถูกต้องความรู้สึกตัวนั้นจะชัดขึ้นเรื่อยๆขยายขอบเขตจากการรู้เพียงสัมฐานกะโหลกอันเป็นส่วนบนสุดแผ่ลางไปรอบคลุมหมดทั้งร่างคล้ายเรามาอาศัยหุ่นกระบอกไร้ชีวิต ที่ไม่มีใครใช้งานแล้วหากเผลอสติรู้ตัวว่าสันผานกะโหลกหายไปจากความรับรู้ก็ไม่จำเป็นต้องประชากจิตกลับมาแต่อย่างใดเพราะร่างนอนนิ่งนั้นเป็นฐานที่ถูกปักหลักรออยู่ด้วยตัวเองเรามีหน้าที่เพียงระลึกเท่านั้นพอว่ากายมีอยู่กะโหลกศีรษะมีอยู่ส่วนกะโหลกจะแรงดันหนักเบาหรือว่า หมอกควันพล่านกระจายอย่างไรก็ช่างปล่อยเต็นที่จนกว่าจะหมดแรงดิ้นภายในไปเองหลายคนอาจจะรู้สึกถึงความเป็นโพรงว่างในกระโหลกศีรษะเห็นกลวงไม่มีอะไรเลยไม่มีความขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวใดใดทั้งสิ้นอันนั้นแสดงถึงจิตที่นิ่งรวมดวงเพระสงบจากความคิดแต่ถ้ายังรู้สึกแปลกใจ รู้สึกจะงนว่านี่อะไรอย่างนั้นความคิดยังระงับไม่สนิทหากท่านเฉยๆรู้ต่อไปเรื่อยอีกสักพักหนึ่งก็จะสำเนีจอถึงความสงบสว่างในแบบที่จิตรวมรวมดวงไม่มีความแปลกใจและไม่มีความยินดียินร้ายใดๆหากท่านสาเร็จมาถึงตรงนี้ก็ต่อติดกับกายานุปัสนาเช่นเห็นกายเป็นอสุภะ เห็นกายเป็นธาตุหรือเห็นกายเป็นศพไปก็ได้สวดมนต์การสวดมนต์เป็นการเปล่งเสียงออกมาอย่างต่อเนื่องและถ้าสวดแบบพระก็จะ ไม่ใช่สักแต่พูดเอาพูดเอาอย่างไร้จังหวะจกโครนแต่ต้องเปล่งเป็นคํคๆอย่างรู้ชัดสามารถจับความสะเทือนในลำคอได้อย่างเป็นธรรมชาติธรรมเนียมนั่งสวดหน้าโต๊ะหมู่บูชาเป็นการเตกรอบให้พุทธศาสนิกชนที่ดีสำรวมกายวาจาใจให้อยู่กับการสวดจะนั่งพับเพียบหรือว่าขัดสมาธิก็ตามการ ท่องบทสวดมนต์ประจำจะทําให้สามารถหลับตาและจดจ่ออยู่กับคําสวดโดยไม่วอกแวกไปไหนการสวดที่ถูกต้องนั้นผลที่แน่นอนคือจะมีการจัดระเบียบความคิดอันยุ่งเหยิงให้เข้าที่เข้าทางขึ้นต่อให้ใจไม่จ่ออยู่กับบทสวดมนเต็มร้อยก็ตามขอเพียงมีความตั้งใจว่าบทสวดอย่างชัดถ้อยชัดคําอย่างต่อเนื่อง ไม่เร่งรีบเกินไปไม่ยานคางเกินไปมีสติอยู่ที่อาการประนมมือทอดตาไปเบื้องหน้านิ่งๆยังน้อยเมื่อจบบทสวดสักหน่อยก็จะสังเกตเห็นว่าความฟุ้งบางตัวลงหาดสวดเป็นประจำทุกวันก็จะส่งผลให้มีสติอยู่กับการพูดมากขึ้นมีความชัดเจนกับการปรุงแต่งคำพูดเป็นระเบียบ ข, ขึ้นและได้อานิสงค์ข้างเคียงคือ เป็นคนพูดจาหน้าเชื่อถือกว่าเดิมทั้งกังวล น, น้ำหนักและอารมณ์ที่ออกมากับน้ำเสียงสังเกตได้ด้วยว่าจะคมคายหรือนุ่มนวลขึ้นอยู่กับลีลาการสวดของแต่ละคนนั่นเองเมื่อพยายามสวดให้ไพเราะแก้วเสียงก็จะดูเหมือนสดใสาตามไปด้วยอย่าน่าแปลกใจ ในที่นี้จะขอนำบทสวดที่ดีที่สุดมาไว้ให้จะได้ไม่เป็นที่ลำบากต้องค้นหาคือบทสรเสริญพระรัตนตรยัยมักเรียกกันว่าบทสวดถวายพรพระหรือเรียกง่ายๆว่าบทอิติปิโสอันจัดว่ามีคำที่ปรุงเสียงได้สอดคล้องลงตัวและมีความศักดิ์สิทธิ์ผู้สนใจอาจหาคำแปลและบทสวดอื่นๆเช่น กรณียเมตสูตรเลือกมาเป็นบทสวดประจำตัวได้ตามอธยยศัยจากหนังสือสวดมนต์พิธีซึ่งหาได้ทั่วไปนมสการพระรัตนตรยัยน้โมตสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสามจบพุทธคุณ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตโรโลุลิสธรรมสารถิสัตธาเทวมนุษาน่งพุโทโธภควาติธรรมคุณสวาคาโตภะควาตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอสิเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิติสังฆคุณ สุปติปันโนภควัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิป HO, ันโนภควัโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควัโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสสะอุคลาเอสะภควัโตสาวกสังโฆ อาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชลีกะระมิโยอนุตตลังบุญยเกขตตังโลกัสาติในเรื่องอนิสงส์อันมหัศจรรย์ของบทสวดนั้นขออย่าได้ทำความหวังไว้เพราะอาจจะเกิดขึ้นกับบางคนและอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยกับอีกคนแต่ถ้าตั้งความหวังไว้ว่าจะสวดประจำทำให้มีความฟงน้อยลง มีสติอยู่กับถ้อยคำของตนว่าเดิมพูดจาดูเป็นหลักเป็นฐานขึ้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่คาดหมายได้เสมอกันถ้ายังไม่เคยลองสวดบทแบบเป็นเสียงขอให้ลองดูระยะหนึ่งอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นผลค่อนข้างทันใจ าที่เคารพคะที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมเอาอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุพลม2ความถี่963นะคะถ้าจะติดตามรับฟังได้อีกรายการ